มีคำสุภาษิตอยู่คำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นความหมายทางธรรมก็คือความรู้ความเห็นที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมสิบครั้งก็สู่ความรู้กับความเห็น ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันแล้วสิ่งที่ควรจะกระทําต่อไปก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคําสอนคําสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งแสดงไว้ในพระธรรมเทศนาต่างๆ เพราะการฟังเทศฟังธรรมเพียงนำพังเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถที่จะนำผลอันเลิศอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นมาแก่จิตใจได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติในปังแปะ ก็คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรชอบนี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพียรชอบนี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษากุศลที่มีอยู่แล้ว ไม่ให้หดหายไป 3. เพียรละอกุศลที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไป 4. เพียรรักษาป้องกันไม่ให้อกุศลที่ได้ละแล้วผวนกลับคืนมาใหม่นี่คือลักษณะของความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ตรงที่ความเพียรชอบนี้เองกุศลคืออะไรกุศลก็คือการกระทาที่ฉลาดที่นํามาซึ่งความสุขและความเจริญที่ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอกุศลก็คือการกระทำ ท, ที่ไม่ฉลาด ที่นำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือเรื่องของกุศลและอกุศลอย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดไว้อยู่เสมอว่าเวลาท่านตายไปแล้วอย่ามาสวดกุศลาให้กับท่านกุศลาก็คือบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์ใช้สวดในงานศพ กุลธรรมอกุสลาธรรมอปยากตาธรรมความหมายของการสวดนี้ก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เนื่องจากพระสงฆ์ท่านสวดภาษาของพระพุทธเจ้าคือภาษาบาลีส่วนคนฟังนี้เป็นคนไทย พอฟังภาษาบาลีก็เลยไม่เข้าใจความหมายก็เลยคิดว่าสวนให้กับคนตายความจริงการแสดงวัธรรมเทศนานี้แสดงให้คนอยู่คนตายนี้ฟังไม่ได้คนตายนี้ไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้เสียงที่เข้ามากระทบกับหูมีแต่คนเป็นเท่านั้น ที่ยังมีวิญญาณที่ยังฟังเสียงของพระที่สวดอยู่ได้เพียงแต่ว่าเป็นภาษาคนละภาษากันคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจที่จะฟังเวลาพระสวดกุศลาก็ไปคุยกันสนทนากันนั่งพนมมือไป ให้พระสวดไปญาตโยมก็นั่งสนทนากันไปประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจึงไม่เกิดขึ้นหลวงตาท่านจึงบอกว่าเวลาตายไปแล้วอย่าไปกสวดกุศลาอย่าไปแสดงธรรมให้คนตายถ้าอยากจะได้รับประโยชน์จากกุศลาธรรมมา คือความรู้ความฉลาดต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างที่พวกเรามากระทํากันในตอนนี้พวกเรากําลังฟังพระสวดกุศลากันกุศลาก็คือความรู้ความฉลาดนี่เองการฟังธรรมนี้จะทําให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิด ปัญญาแล้วก็จะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากจิตจใจได้แต่ก็ยังไม่พอเพียงเพราะยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้การที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้นี่ต้องอยู่ที่สัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรสร้างกุศลเพียรละอกุศลนี่คือประเด็นของการปฏิบัติของพวกเราเราต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศลเพื่อที่เราจะได้สร้างกุศล ที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลที่เรามีอยู่แล้วให้อยู่กับเราไปตลอดให้เราละอกุศลที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปแล้วก็ป้องกันอกุศลที่เราได้ชำระไปแล้วได้กาจัดไปแล้วไม่ให้ฟื้นกลับคืนมาอีก กุศลที่พวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นละกันก็คือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีหรือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้เป็นสองกรณีสำหรับผู้ที่ยังไม่ ปารธนาที่จะบำเพ็ญเป็นแบบนักบวชก็ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีแต่สำหรับผู้ที่ปารธนาการบำเพ็ญแบบนักบวชก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เสพกามแล้วข้อที่ข้อที่สี่ก็คือ เมื่อการไม่พูดบทรวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดคือการยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีและพูดเพอเจต่อจากนั้นก็มีการเสพสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นอกุศลรวมไปถึงการเล่นการพนัน การเที่ยวกลางคืนการครบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดคล้านนี่เป็นอกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาละกันถ้าเรายังมีอกุศลเหล่านี้อยู่ก็ให้เราละอกุศลเหล่านี้ไปให้หมดหลจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว อันนี้ก็เป็นอกุศลสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่ถือศีลของนักบวชคือศีลแปดผู้ที่ต้องการที่จะละอกุศลคือความสุขทางโลกเพื่อที่จะหาอากุศลคือความสุขทางธรรมจำเป็นที่จะต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพื่อจะได้กําจัดอกุศลคือนิวรเช่นความง่วงเหงาเหานอนเอนิวรนนี่ก็เป็นอกุศลเช่นกามฉันทะความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะความง่วงเหงาเหานอนความโกรธความ ความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในแนวทางของการปฏิบัตินี่คืออกุศลที่จำเป็นจะต้องละละกามฉันทะด้วยการไมกร่การไม่หาความสุขจากมหโหะสมมหรหสศและบันเทิงต่างๆ เช่นการดูภา พ, พยนตร์ดูละครดูการละเล่นต่างๆการร้องรำทำเพลงการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจแล้วก็ และการแสวงหาความสุขจากการเสริมเสริมความงานของของร่างกายดยการแต่งผ้าแต่งผมด้วยการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆด้วยการใสร่เสื้อผ้าอภารรที่สวยงามวิจิตรพิสดารเพราะเป็นความสวยงามปลอม เป็นความสวยงามที่จะทำให้ลหลงไหลข้างใครติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดทำให้ทุกเวลาที่ร่างกายนั้นแปลงสภาพจากความสวยกลายเป็นความไม่สวยในเวลาที่แก่ เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่ตายไปอกุศนข้อสุดท้ายก็คือการหลับนอนบนผูหน้หนาเพื่อหาความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนี่คืออกุศลที่ผู้บำเพ็ญ ผูปฏิบัติธรรมควรที่จะพยายามละกันให้ได้ละได้มากละได้น้อยก็จะทำให้ความสุขและความเจริญมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมีน้อยลงไปส่วนกุศลที่ควรจะสร้างขึ้นมาก็คือการทำทาน การแบ่งปันการเสียสละแบ่งทรัพย์แบ่งความสุขแบ่งประโยชน์ที่มีมากเกินไปต่อความจำเป็นที่จะต้องมีเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับตนเองตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าเอาประโยชน์สุขเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง มาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้ลดละความทุกข์ความกังวลใจในเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปได้แล้วก็ให้มาเจริญสติสติก็คือการเ ร, รียกรู้การดึงใจให้รู้อยู่กับ อารมณ์เดียวเรื่องเดียวเพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาเพราะการลอยไปลอยมาของใจนั้นทําให้เกิดความพรุ่งร้างเกิดให้เกิดความอยากเกิดอารมณ์วุ่นวายขุ่นมัวขึ้นมาถ้าใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย และถ้านั่งสมาธินั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ดีใจก็จะสามารถเข้าสู่ภายในเข้าสู่ฐานของจิตฐานของใจที่เป็นที่สงบที่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นี่คือกุศลที่เราควรที่จะพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้ น, นมาจนเราหลับไปเพราะถ้าเราไม่เจริญใจก็จะลอยไปลอยมาเมื่อลอยไปลอยมาความสงบสุข ของใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจสงบได้นอกจากสตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้สติจึงเป็นธรรมที่สาคัญเป็นกุศลที่สาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาจิตใจต่อการพัฒนา มรรคผลนิพพานถ้าปราศจากสติแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหานตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราแต่ถ้าพวกเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างสม่ำสเสมอไม่พังไม่เผลอ สามารถควบคุมใจให้จดจ่อให้ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ใจจะมีความมั่นคงใจจะมีความนิ่งความสงบมีความเย็นมีความสุขมีความสบายแล้วเมื่อสามารถจจรินสติได้แล้วสามารถควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความนิ่งได้แล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องเจริญกุศลที่เรียกว่าปัญญาการเจริญกุศลเจริญปัญญานี้ก็เพื่อมีไว้ป้องกันรักษาความสงบนี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยสตินี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องมีสติมาคอยดูแลรักษา ถ้ายังไม่มีปัญญาถ้าเวลาใดที่ไม่มีสติใจที่ตั้งมั่นอยู่นั้นก็จะลอยไปลอยมาได้ใจก็จะเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวต่างๆขึ้นมาได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมใจด้วยสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเวลาใดเผลอขาดสติ เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ใจจะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้ามีปัญญามาทําลายความโลภความโกรธความหลงมาทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ ต่อไปไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สติคอยประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเพราะสิ่งที่จะมาทําลายความสงบนั้นถูกทําลายไปหมดแล้วด้วยปัญญาเมื่อถึงที่ถูกทําลายสิ่งที่ทําลายความสงบได้ถูกทําลายด้วยปัญญาไปหมดแล้วปัญญาก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง มีต่อไปไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สติใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจจะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดเวลานี่คือการบรรลุธรรมการบรรลุผลของการปฏิบัติธรรมเป็นการบรรลุที่ถาวรใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีวันกลับไปเสื่อม กลับไปสกปรกได้อีกต่อไปใจที่ได้รับการชำระด้วยปัญญาชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจจะไม่มีวันที่จะมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆอีกต่อไปเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆ ก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่มีภพชาติอีกต่อไปเพราะว่าภพชาติก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนี้เองเมื่อไม่มีพบไม่มีชาติก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกุศลที่เราจาเป็นจะต้องสร้างกันขึ้นมา เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษาเหมือนไปรักษามันไปจนกว่าใจจะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาอีกต่อไปไม่จำเป็นจะต้องเจริญอีกต่อไปสติก็ไม่ต้องเจริญปัญญาก็ไม่ต้องเจริญวุตสิตังบ ร, รมจหรือยังปรากฏขึ้นมาแล้วคำว่าวุตสิตังบ ร, รมจะหรือยังก็คือ กิจในพรหมจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วกิจกิจในพรหมจรรย์ก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ได้ถึงได้รับได้ผลสำเร็จแล้วใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วปา่ปาศจากเกลสตันหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง เจริญสติเจริญปัญญาอีกต่อไปสติและปัญญาก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคเวลาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายหมอก็จะให้ยามารับประทานเมื่อรับประทานยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะทำเข้าไปทําลายเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายให้หมดไป พอร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วการรับประทานยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปรับประทานไปก็ไม่มีผลอะไรออฉันใดใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญกุศลต่างๆอีกต่อไปเพราะอากุศลต่างๆได้ถูกทำลายไปหมดแล้วอกุศลต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆได้ถูกสติปัญญากำจัดไปหมดแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดไปหมดแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่ความสงบสุขเพียงอย่างเดียว <c oughs> การที่จะเจริญสติเจริญปัญญาต่อไป <c oughs> ก็ไม่ได้ทำให้มีผลแตกต่างอะไร เหมือนกับน้ำที่ใส่เต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรก็จะได้ปริมาณปริมาณน้ำในแก้วเท่าเดิมเพราะว่าน้ำที่ใส่ดนไปก็จะล้นไหลออกมาฉันดดใดเกิดในพระพุทธศาสนาเกิดในพรหมจรรย์ น, นี้จึงมีวันสิ้นสุดเมื่อได้ถึง เมื่อได้ทำเสร็จสำเร็จแล้วกิจในพรหมจารย์นี้ก็จะหมดไปไม่เหมือนกับกิจกรรมทางโลกต่อให้ทำมากน้อยเพียงไยก็ตามก็จะไม่มีวันหมดจะมีกิจอย่างอื่นมาให้ทำอยู่เรื่อยๆทำภารกิจอันนี้เสร็จก็จะมีภารกิจอย่างอื่นเข้ามาหาถ้าไม่ ถ้าไม่สร้างขึ้นมาเองไม่คิดขึ้นมาเองก็จะมีผู้อื่นเสนอเข้ามาก็จะมีการกระทําอยู่เรื่อยๆเพราะปัญหาทางโลกนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะโลกนี้เป็นโลกของปัญหาแล้วก็ต่อให้แก้ปัญหากันมามากน้อยเพียงไรปัญหาต่างๆก็จะไม่มีวันหมดเล ดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการแก้ปัญหาทางโลกกันเลยแก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเช่นปัญหาของร่างกายของพวกเรานี้เราทุกวันนี้ก็ต้องคอยแก้มันอยู่เรื่อย เ, อยเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องแก้มันไปอยู่เรื่อ ย, อยกินก็ต้องกินอยู่เรื่อย กินแล้วเดี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวไม่นานก็หิวขึ้นมาอีกก็ต้องกินอีกโกครคภัยไข้เจ็บเป็นแล้วก็รักษารักษาหายแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปตายไปแล้วมันก็ยังไม่จบเพราะใจที่ยังไม่ได้รับการชำระไม่ได้ไม่ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆก็ยังจะเดินไปหาการเกิดใหม่อีกจะไปได้ร่างกายอันใหม่อีกแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาของร่างกายใหม่อีกรอบหนึ่งต้องมาเลี้ยงดูร่างกายควรต้องดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องคอยมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แล้วก็ต้องตายไปอีกรอบหนึ่งปัญหาทางโลกจึงแก้ยังไงก็ไม่มีวันจบเพราะไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คืออกุศลต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้เองเช่นความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ก็เป็นอกุศลตัวร้ายกาจที่สุดเป็นตัวที่จะต้อง ได้รับการชำระถึงจะแก้ปัญหาต่างๆได้หมดสิ้นไปถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วการที่จะไปเกิดใหม่ก็จะไม่มีเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก็ไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องแก้ ปัญหาเรื่องการป้องกันภัยต่างๆเพื่อมาไม่ให้มาทําลายชีวิตเขมาทําลายร่างกายก็จะไม่มีนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่แบ็ดเสร็จที่ม้วนเดียวจบแก้แล้วจะไม่ต้องแก้กันอีกต่อไปผู้ที่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้แบดเสร็จเรียบร้อยก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วท่านไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่ที่จะต้องมาคอยเลี้ยงดูไม่ต้องคอยมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ต้องไม่ต้องมาปกป้องรักษาป้องกันภัยต่างๆให้มาทำลายชีวิตร่างกายของตนเพราะไม่มีร่างกายที่จะต้องดูแลรักษาป้องกันนั่นเอง การที่ไม่มีร่างกายก็เพราะว่าไม่มีอกุศลอยู่ภายในใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจนี้เองนี่แหละคือเรื่องของการบำเพ็ญเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ถ้าไม่มีความเพียรความพยายามใจจะไม่ใจจะไม่สนใจกับการชําระอกุศลจะสนใจอยู่กับการสร้างอากุศลต่างๆเพราะในใจนั้นถูกโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นอกุศลว่าเป็นกุศลเห็นกุศลว่าเป็นอกุศลจึง สร้างแต่อกุศลกันเช่นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะมัว่วจะวุ่นวายอยู่กับการกระทําอกุศลต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการพูดคําหยาบคําพูดเพ้อเจ้อ การพูดส่อเสียดการเสพสรารยาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนไม่ดีเป็นเม็ดน้าความเกลียดค้านนี่คืออกุศลที่คนที่ไม่เข้าวัดเข้าวางังไม่เคยศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังกุศลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้ฟังก็จะไม่รู้ว่าสิ่ง ที่เป็นอกุศลนี้เป็นโทษกับตนเองเพราะเห็นประโยชน์สุขที่ได้รับในเบื้องต้นแต่ไม่คิดถึงทุกข์และปัญหาต่างๆที่จะตามมาในในตอนท้า ย, เ, ยเวลาอยากจะทำอะไรก็ทำเวลาอยากจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าแล้วรู้สึกสบายใจ แต่หลังจากนั้นก็จะต้องไปรับวิบากถ้าไปฆ่าคนก็ผิดกฎหมายก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวเอาก็ต้องหลบหลีคอยหลบคอยหลีกคอยหนีอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่องอยู่แบบหวาดวิตกกังวลนี่ภัยที่ตามมามองไม่เห็นเห็นแต่สุขที่ตามมา ที่เกิดจากการกระทำทำแล้วรู้สึกดีใจสบายใจได้ฆ่าคนที่เราโกรธเราเกลียดแต่มันเป็นความดีใจความสุขเพียงเดียวเดียวหลังจากนั้นก็จะต้องวุ่นวายกับการหลบหลบซ่อนซอนและเมื่อถูกจับได้ก็จะต้องไปทุกข์กับการรับใช้กรรมในคุกในตาราง หรือถูกปอาหารชีวิตไปอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกุศลว่าเป็นกุศลเห็นว่าทำแล้วเกิดความสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาแต่ไม่เห็นความทุกข์ความวุ่นวายใจที่ตามมา ต่อไปหลังจากที่ได้กระทำแล้วดังนั้นจึงต้องพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเพื่อที่จะได้ศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศลเพื่อที่เราจะได้สร้างกุศลกันขึ้นมาแล้วละอกุศลกัน กุศลที่สร้างได้แล้วก็รักษาไว้ไม่ให้หดหายไปอกุศลที่ละได้แล้วก็ไม่ให้ขวนกับคืนขึ้นมาใหม่เช่นถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แล้วก็อย่ากลับไปทําอีกละเว้นจากการลักทรัพย์ได้แล้วก็อย่ากลับไปทําอีกละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีได้แล้วก็อย่ากลับไปทําอีก หลือละเว้นจากการเสพการได้แล้วไม่ต้องร่วมหลับนอนกับใครได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดคําหยาพูดส่อเสียดได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเช่งวันได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีก ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการดูมอละหอละศพเครื่องบรรเทิงต่างๆหรือการฟังเสียงเพลงต่างๆหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายถ้าเราละได้แล้วก็อยากกลับไปทำมันอีกถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆได้แล้วก็อยากกลับไปนอนบน พวก น, น, นั้นน่ะเพราะถ้ากลับไปมันก็หวนกลับไปสู่อกุศลนั่นเองอกุศลที่ละได้แล้วถ้ากลับไปหามันมันก็เหมือนกับไม่ได้ละนั่นเองถ้าละแล้วก็ต้องละเลยไม่ต้องกลับไปหามันอีกแล้ว ม, มันสร้างอากุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาเจริญสติกันให้มากๆ ม, มาเจริญสมถ ภ, ภาวนา เพื่อทาใจให้สงบการจเจริญสตินี่แหละเรียกว่าการจเจริญสมถภาวนาการจเจริญสตินี้เพื่อที่จะควบคุมใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ไหลไปไหลามากับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจถ้าใจตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุข มีความสุขที่เลิศกว่าความสุขทั้งปวงแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จะเป็นวิธีป้องกันสิ่งที่จะมาทำลายความสงบสุขที่ได้จากการเจริญสติสิ่งที่จะมาทำลายก็คือตันหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆซึ่งสิ่งที่จะป้องกันไม่ให ตันหากิเลสต่างๆเข้ามาทำลายความสงบนี้ได้ก็คือปัญญาคือความรู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเราร่างกายของทุกๆคนนั้นไม่สวยไม่งามอาหารที่เรารับประทานนั้นมันมันไม่น่าดูมันสบบปกปรก มันสะอาดเฉพาะตอนที่มันอยู่ในจานนั้นเท่านั้นพอมาสัมผัสกับน้ำลายในปากหรือน้ำย่อยในท้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สกรปรกไปเวลาคลาคลายมันออกมาหรือเวลาอาเจียนออกมาหรือเวลาถ่ายออกมานี่เราลังเกียจมันมันสกรปรกเราต้องเห็นความไม่สุขความสกรปรกของอาหาร เพื่อที่จะได้กําจัดตัณหาความอยากเกี่ยวกับเรื่องอาหารเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะได้กําจัดตัณหาความอยากได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราแล้วก็ให้เห็นสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้น ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญ er, หรือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชต่างๆมันเป็นความสุขชั่วปลิยวปดาชั่วขณะที่เราได้มาเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรได้มาแล้วมันก็จะหายไปดูอะไรแล้วก็หายไปหมดไปได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็หายไปหมดไป ได้ดื่มได้รับประทานอะไรแล้วก็หายไปหมดไปถ้าพอหายไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้พิจารณาอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว พอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีแล้วถ้าเรายัางไปหามันอยู่เรื่อยๆก็จะต้องไปหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆวิธีที่จะไม่หาความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ก็คือยุติการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกาย ถ้าเรามีความสงบทางใจถ้าเรายังไม่มีความสงบทางใจเราจะไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพื่อการจัดความอยากต่างๆได้เลยเพราะใจของเราไม่มีความสุขที่ที่จะมาต่อต้านกับความความความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆนั่นเอง เมื่อเราไม่มีความสุขในใจเราเราก็ต้องดิ้นออกไปหาความสุขภายนอกกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายกันแต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่ต้องดิน้นแต่ถ้าใจมันยังดิ้นเพราะมันยังหลงอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนมันว่าอย่าไปหาความสุขภายนอกความสุขภายในที่เรามีอยู่จากการ จากการได้ความสงบนี้มันดีมันวิเศษที่สุดแล้วอย่าไปหลงกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็มีความสุขแต่เวลามันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าไม่มีสมถะภาวนาไม่มีความสงบ จะไม่สามารถจเจริญวิปัสสนาเพื่อละกิเลสละตัณหาได้เพราะใจมันมันจะต้องดิ้นหาความสุขจากภายนอกเพราะมันไม่มีความสุขภายในแต่ถ้ามันมีสมถะภาวนามีความสงบภายในมีความสุขภายในแล้วมันก็จะไม่ดิน้นถ้ามันยังดิ้นก็สามารถที่จะสอนมันไม่ให้ไปหาความสุขต่างๆภายนอกได้ เพราะมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขนั่นเองนี่คือเรื่องของสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จำเป็นจะต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าจะข้ามสมถะภาวนาสู่การวิปัสสนาภาวนานั้นจะทําไม่สำเร็จจะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆได้ เพราะใจไม่มีความสุขภายในใจก็จะต้องเดินออกไปหาความสุขภายนอกต่อให้รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ก็ถ้ามันไม่ไหวสู้มันไม่ไหวเช่นคนที่ติดความสุขภายนอกกันไม่ว่าจะเป็นสุขแบบไหนชนิดไหนเพราะว่าเขาไม่มีความสงบภายในไม่มีความสุขภายในกันแต่สำหรับผู้ที่มีความสงบมีความสุขภายในแล้วเขาก็จะสามารถ สู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้เช่นบรรดานักบวชทั้งหลายผู้ที่มีสมถภาวนามีความสงบแล้วนั้นท่านก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากต่างๆที่จะดึงให้ออกไปหาความสุขทางภายนอกใจได้แต่ถ้าผู้ที่ยังต้องดิ้นออกไปหาความสุขภายนอกใจอยู่ ทั้งๆ ท, ที่เป็นนักบวชอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีความสุขภายในกันไม่มีความสงบใจแล้วก็ไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจคอยห้ามใจไม่ให้ออกไปหาความสุขภายนอกในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปลี่ยนเพศไปจากการเป็นนักบวชกลับคืนไปสู่เป็นคารวะผู้ของเรือนผู้เสพกามไป นี่คือเรื่องของกุศลและอกุศลที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาหมั่นปฏิบัติกันการฟังเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเพียงที่จะทำให้อกุศลต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นหายหมดไปและไม่สามารถทำให้กุศลต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจได้ถ้าไม่มีการปฏิบัต สัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีอยู่ภายในใจให้เกิดขึ้นมาเพียรรักษากุศลที่มีอยู่ในใจแล้วให้คงอยู่ต่อไปเพียรละอกุศลที่ยังไม่ได้ละให้หมดไปแล้วก็เพียรป้องการรักษาไม่ให้อกุศลต่างๆที่ได้ละแล้วหวนกับคืนมาอีก ถ้าสามารถปฏิบัติเพียรในสีสถานนี้ได้ผลก็คือผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับ mm. เช่นมรรผลนิพพาน mm. ก็จะเป็นผลที่เกิดกับผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน mm. จึงขอให้พยายามเพียรกันให้มากๆเพียรกันไปตลอดขอให้ถือว่านี่แหละคือหน้าที่ของพวกเรา เกิดมาทำไมเกิดมาก็เพื่อสร้างกุศลและอักละอกอุศลนี้เท่านั้นเพราะเป็นกิจที่จะทาให้กิจต่างๆยุติลงไปได้อย่างถาวรถ้ายังสร้างกุศลไม่ได้ยังละอกุศลไม่ได้กิจต่างๆที่เราทำอยู่กันทุกวันนี้ก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆคือกิจเรื่องของการดูแลปากท้องดูแลรักษาร่างกาย ป้องกันภัยต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายต่อให้ทําให้ได้ดีขนาดไหนร่างกายนี้ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปแล้วเมื่อมันตายไปแล้วอากุสลต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะเป็นตัวผลัก ด, ดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะแก้ปัญไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอกจะแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดต้องไปแก้ที่ตัวอกุศลนี้เท่านั้น คือต้องชำระอากุศลทั้งหมดให้หายไปจากจิตจากใจเมื่อไม่มีอากุศลแล้วจิต ก, ก็จะเข้าถึงพันิพานจิต ก, ก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากที่จะเกิดก็จะไม่มีร่างกายที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาอีกต่อไปนี่คือกิตที่แท้จริงของพวกเรากิตที่จะทำให้จิตทั้งปวงนั้นสิ้นสุดลง อย่างทาวรก็คือการละอกุศลและสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาภายในใจนี้เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอนยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะรงัง เอเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรมตุสังกปาจันโทปนาราโสยธาณิจโตติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตรายุสุขีทีขายยโกผวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุธาปัจายโนจตารโรธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลา ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะทราบคำถามเกี่ยวกการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วเลิกถามตอบปัญหาแล้วก็จะขออนุ ญ, ญาตไม่ไม่ตอบปัญหาอีกเพราะว่ามันเหนื่อยก็อยากจะตอบตอนนี้ ก็จะได้ประโยชน์กับผู้ฟังหลายๆท่านด้วยกันถ้ามาถามเฉพาะตนนี้มันก็จะได้รับประโยชน์น้อยก็เลยขอขอตอบปัญหาในช่วงที่เปิดไมโครโฟนได้อยู่ครับการธรรมชาการพระอาจารย์ค่ะ เ, เวลาที่มีความสงบจากสมาธิแล้วนี่เวลาออกมาทำไมเพราะเหตุใดความอยากถึงทำให้ความ สุกในความสงบนั้นหายไปค่ะก็มันเหมือนความร้อนกับความเย็นมาเจอกันเวลาอยู่ในห้องปรับอากาศมันก็เย็นเวลาออกมาจากห้องปรับอากาศก็มาเจอความร้อนความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศมันก็หายไปหรือว่าห้องที่ปรับอากาศถ้าเกิดเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกมาความเย็น ความร้อนที่อยู่ภายนอกก็จะเข้ามาผสมกับความเย็นที่อยู่ภายในมันก็เลยทำให้ความเย็นมันหายไปจันได้ใจที่อยู่ในสมาธิก็เป็นเหมือนเข้าสู่ในห้องปรับอากาศมันก็เย็นมันสงบแต่พอออกมามันเริ่มคิดปรุงแต่งพอความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่มันก็จะคิดมาในทางความโลภความอยากความโกรธความรักความชังความกลัวความหลง มันแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาถ้าต้องการที่จะรักษาความเย็นของความสงบไว้ต่อไปก็ต้องกำจัดความรักความชังความกลัวความหลงต่างๆที่ออกมาตามกระแสของความคิดต้องคิดไปในทางปัญญาถึงจะทำให้ความรักชังกลัวหลงนี้หายไปได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายลักก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เพราเท่าที่สังเกตมาคือถ้าเกิดความอยากนิดนิดสกิดนิดหน่อยเนี่ยบางทีมันก็ยังพอเอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบน้อมกลับมาทางปัญญาพอสกิดบ่อยๆมันก็จะก็จะหายหายมีไข่หายความสุขไปเลยอค่ะนี่นะเราอย่าไปเล่นกับไฟเลยพอความอยากไม่อย่าหน่อยก็ใจอ่อนไม่เป็นไรนะหนเดียว คิดอย่างนี้เลยค่ะพ่อจ้ากิเเลสมวนบุรีมวนเดียวอะไรเหล้าแก้วเดียวมีมันไม่แก้วเดียวมันแก้วเดียวทีละครั้งแต่ไม่รู้กี่ครั้งเลยเดี๋ยวก็มีครั้งหน้าอีกใช่ไหมพอหมดครั้งนี้เดี๋ยวมันก็มีครั้งต่อไปตามมาอีก็แก้วเดียวมวนเดียวน้นต้องบอกไม่อย่างเดียวไม่เด็ดขาดเป็นทุกบอกต้องเป็นทุกติดยาเสพติดติดสซลานี่มันดีให้ไหนเอ ต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วถ้าสู้มันไม่ไหวก็กลับเข้าไปนะสมาธิก่อนแล้วกั น, ก น, กนพุโทโธพุโทโธก่อนถ้าเถียงสู้มันไม่ไหวก็ใช้ใช้สติกับมาหยุดใจหยุดความคิดที่พระอาจารย์สอนว่าให้ให้นั่งเอาชนะความอยาก6กชั่วโมงแล้วดูว่าความอยากของตัวเองหายไปไหมเนะยคะ่ะก็คือในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าความอยากจะไป ไปเที่ยวไปเล่นหรืออยากกินเนี่ยลดลงค่ะแต่ว่าตอนที่เรานั่งเอาชนะตอน6กชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังอยากยังอยากลุกอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือให้ก็อดทนไปให้ถึงเวลาค่ะเออถ้าถ้าภาวนาไปได้จะช่วยได้ได้มากกว่าด้วยอพยายามใช้สติควบคุมความคิดให้มากๆเพื่อจะให้ใจสงบแล้วถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่อยากลุกไปแ ต, แต่ถ้านั่งทนเฉยๆโดยไม่เจริญสติเนี้มันก็ มันก็เป็นการต้านไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าพอผ่านหชั่วโมงปั๊บก็ปล่อยมันไหลไปตามความอยากทันทีเนี่ยเราที่เรานั่งนี่เพื่อต้านมันเพื่อให้มันกําลังมันอ่อนลงลการที่จะทําทให้มันอ่อนลงและหายไปได้เราต้องเจริญสติควบคู่ไปด้วยอย่านั่งนัอย่านั่งตาลอยคิดเรื่องโน้เนเรื่องนี้ ก็มันจะทําให้ใจไม่สงบและทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเอเมเวลานั่งแล้วก็ต้องพยายามเจริญสติควบคู่ไปด้วยจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่เจริญเลยแล้วต่อไปมันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสติแล้วต่อไปมันก็จะทําให้ใจสงบ พอสงบแล้วก็จะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่คิดอยากจะลุกได้ไม่คิดอยากจะไปทำอะไรได้ต้องต้องมีดัดนี้ใส่มันบ้างไหคะอย่างเช่นพอหกชั่วโมงปุ๊บนี่โอ้โหมันแบบเด้งขึ้นมาเลยอยากลุกก็ทรมาก็ถ้ามันอยากก็นั่งต่ออีกชั่วโมงเนึ่งถ้ายังอยากลุกก็อยากเพิ่งลุกค่ะหมกคำถามแล้วค่ะพระเ คำถามต่อไปจากคุณตวงรัฐโยมเห็นผู้คนถกเถียงกันเรื่องภาพพระบวชใหม่รูปหนึ่งในภาพในภาพนั้นโยมแม่ของท่านได้กราบพระลูกชายหลังจากนั้นพระรูปนั้นท่านก็ได้กราบโยมแม่ของท่านบ้างทําให้ผู้คนถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่ค่ะคือการกราบกันนี่ตามธรรมเนียมแล้วกราบผู้ผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่กราบ ผู้น้อยกล่าวผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ไม่กล่าวผู้น้อยที่ปัญหาของพระนี่มันมีอยู่ตรงที่ว่าตอนที่ไม่ได้บวชนั้นถือพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ตอนเป็นผู้น้อยก็ติดการกลาวพ่อกลาบแม่มาแต่พอมาบวชนี้ทางธรรมเราให้ถือการมีศีลเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่มีศีลมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเป็นผู้น้อย ดังนั้นเวลาพอมาบวชเป็นพระแม่ผู้รู้ว่าตนเองมีศีลน้อยกว่าลูกก็กราบลูกแต่ลูกนี้อาจจะไม่ได้รู้ไม่ไม่เข้าใจว่าการมาบวชในบวชเพื่ออะไรอาจจะคิดว่าบวชการเป็นการเพียงห่มผ้าเหลืองโกนศีษระก็เลยคิดว่าตนเองยังเป็นลูกอยู่เห็นแม่ก็เลยรู้สึกกระดากใจที่ปล่อยให้แม่กราบตนเอง ก็เลยต้องไปกราบแม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความไม่รู้จักฐานะของตนเขื่อไม่รู้ว่าตนในตอนนี้เป็นพระแล้วต้เป็นผู้ทรงศีลมีศีลถึงสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อด้วยกันฐานธรรมนี้ถือว่าเป็นผู้สูงกว่าผู้ที่มีศีลห้าข้อหรือไม่ถึงห้าข้อจึงเป็นธรรมเนียมของค า, ารวาะที่จะกราบพระไม่ว่าพระนั้นจะเป็น ลูกชายหรือเป็นใครก็ตามอย่างสมัยพระพุทธการมีการบวชพร้อมกันห้ารูปหรูปด้วยกันคือเป็นพญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายอยู่ห้ารูปหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอยากจะออกบวชกันแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นช่างตัดผมคนหนึ่งเขาตามเสด็จบวช ด, ด้วย ทีนี้พวกเจ้าชายที่จะมาบวชนี้เขารู้ว่าการมาบวชนี้คือการมาทำลายอัตตาตัวตนก็เลยปรึกษากันว่าจะให้ลูกน้องเป็นผู้บวชก่อนเพราะว่าเวลาบวชแล้วใครบวชก่อนถือว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าผู้บวชหลังเวลาเจอกันเวลาทำความเคารพกันผู้ที่บวชหลังนี้จะต้องทคาคา ต้องกาบผู้ที่บวชก่อนผู้ที่ไปเอาวุโซกว่าเจ้าชายทั้งหรูปเคยให้ลูกน้องกราบว่าอยู่ตลอดเวลาทีนี้เวลาจะบวชนี่รู้ว่าการมาบวชนี้เพื่อมาการละอัตตาตัวตนมาทําตัวให้ต่ําให้ต้อยให้เป็นเหมือนปัตตพีก็เลยมีมติตกลงให้ลูกน้องบวชก่อนให้ช่างตัดผมบวชก่อน เพื่อที่เวลาบวชแล้วพวกเขาเหล่านี้จะต้องกับลูกน้อง อ, อย่างในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงครบอายุหกสิบพรรษามีข้าราชการที่รับใช้งานในโครงการพระราชดำริของวัดยา น, นี้เจนอาิบดีกรมชนรัทานแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันที่รับใช้ในหลวงมาตลอดก็บวชถวายเป็นพระราชากุศลให้แก่ในหลวงแล้วในหลวงพอพอท่านเหล่านี้บวชแล้วในหลวงก็นิมนต์ไปรับสังฆทานที่ในวงังแล้วในหลวงก็ต้องมากราบข้าราชพานเหล่านี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นการแสดงคุณธรรมของของใจของแต่ละคน ว่าคนที่มีคุณธรรมสูงจะไม่ลหลงไหลยึดติดกับสมมุติต่างๆเช่นความสูงความต่ำความใหญ่ความโตในฐานะทางทางโลกแต่จะยึดถือความสูงต่ำในทางธรรมคือเป็นความสูงต่ำที่แท้จริงคนเราจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่ศีล น, นี่ถ้าศีลมีมากก็จะสูงศีลมีน้อยก็จะต่ำอันนี้ก็ขออธิบายเลยเถิดไปหน่อย คำถามต่อไปจากคุณยานธรรมหากต้องการฝึกเด็กเจดแปดขวบให้ทำสมถะและวิปัสนาให้เรียนเก่งในปัจจุบันและได้ดวงตาเห็นธรรมในอนาคตมีมีวิธีฝึกอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะจะฝึกเด็กแบบนี้ต้องเป็นอัจฉริยะแล้วเป็นพระโที่ศัตว์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างนีงห้หรือว่าผู้ฝึกนี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้า จับลูกชายพระราหนูนี้ไปฝึกเนอย่างนี้แต่ถ้าคนฝึกก็เป็นคนหูหนวกตาบอดเด็กก็เป็นหูหนวกตาบอดฝึกไปมันก็เหมือนคนตาบอดสอนตาบอดอย่าไปสอนให้มันเสียเวลาสอนในสิ่งที่เด็กมันรับได้รู้ได้ทําได้ดีกว่าก็คือสอนให้เด็กไปตามวัยของเขาวัยของเขาควรจะเรียนรู้อะไรควรจะทําอะไรก็สอนเขาไปอย่างนั้นเรื่องการฝึกจิตเรื่อง สมถะวิปัสสนานี i มันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เสียมากกว่าคำถามต่อไปจากคุณยุทธนาและคุณไฟมินิตเวลาภาวนาแล้วมันแวบออกไปคิดเรื่องต่างๆหรือมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าจิตเราจะคิดปรุงแต่งไปหรือคิดไปตําหนิผู้อื่นมันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวเราจะระงรับอาการนี้อย่างไรครับก็อย่างที่คอยพูดเสมอว่า สิ่งที่จะหยุดจิตได้ก็คือสติในเบื้องต้นถ้าในขั้นสูงก็ปัญญาแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องหยุดจิตไปก่อนเราจึงต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มามาหยุดจิตตอนมาใช้สติหยุดตอนที่เราต้องการจะหยุดจิตมันจะไม่มีกําลังพอ สติต้องฝึกต้องสร้างเหมือนกับการออกกำลังกายถ้าเราอยากจะวิ่งมาราธอนนี้เราต้องซ้อมวิ่งอยู่เรื่อยๆซ้อมวิ่งอยู่ทุกวันจนกว่าเราจะวิ่งได้อย่างสบายถ้าเราไม่ซ้อมก่อนพอถึงวันที่เขาวิ่งมาราธอนไปสมัครวิ่งกับเขาวิ่งไปได้ไม่ถึงกิโลก็จะยกธงขาวฉันไดการที่เราจะใช้สติหยุดใจหยุดการ คิดปรุงแต่งต่างๆของจิตได้นี่เราจะน่องหมั่นสร้างสติขึ้นมาเหมือนกับการฝึกวิ่งมาราธอนน่องหมั่นเจริญสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปในทุกิริยาบทก็ได้จะใช้บทสวดมนตน์ก็ได้จะใช้กรรมาฐานอย่างอื่นก็ได้เช่นอาการสามสิบสองหรือ มรณะนุสตินึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้สิ่งเหล่านี้นจะช่วยระ ง, งับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆให้เบาบางลงได้งนั้นต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆสตินี้เราสามารถจเจริญได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะยากจะง่ายอยู่กับสถานการณ์รอบข้างถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็จะง่ายถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะยาก เพเหตุการ์ต่างๆมันก็จะคอยดึงจิตให้เราไปคิดปรุงแต่งตามเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะฝึกสติให้มีกำลังมากๆและง่ายๆและเร็วๆก็ควรไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกอยู่แล้วพยายามเจริญอยู่แล้วต่อไปสติจะมีกำลังมากจนสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณ5 minute เมื่อดูลมหายใจไปแล้ว ง่วงและหลับไปไม่รู้ตัวเมื่อตื่นขึ้นมาเหมือนรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้ารู้สึกผิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรครับก็วิธีแก้ความง่วงก็อย่างที่เคยพูดไว้ก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการอดอาหารถ้าเราอดอาหารนี่มันจะกําจัดความง่วงเราหานอนไปได้แต่ถ้าเราไม่ถูกจริกับการอดอาหารเราก็ต้องไปหาสถานที่ น่ากลวัวปฏิบัติเช่นไปปฏิบัติในป่าช้าหรือในป่าป่าชัดป่าทึบอะไรต่างๆที่เป็นสารที่น่ากลัวอย่างในหนังเสือที่หลวงตาท่านเขียนไว้พระธุดองมองรูปท่านก็ไปนั่งตามทางเสือผ่านท่านเห็นรอยเท้าเสืออยู่ตรงไหนท่านก็จะไปนั่งแถวนั้นเพราะท่านรู้ว่าเดี๋ยวเสือมันจะน้องเดินมาแล้วมันมีความ ความกังวลความกลัวเสือมันก็จะทำให้ไม่ง่วงนอนหรือบางท่านนั่นก็นไปนั่งอยู่ที่หน้าปากเหวถ้าเกิดมันสบะบังงกมันก็ทิ่มลงเหวเลยหัวทิ่มลงเหวเลยถ้ามันมีอะไรเหล่านี้มาเป็นมาตรการมันจะแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได้ข้อที่สองก่อนจะตายระลึกรู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้มีคําบริกรรมเช่นพุทโธ อย่างนี้จะไปสู่สุขคติภูมิได้ไหมครับถ้าจิตสงบก็ไปได้กลัวจะไม่สงบแะ่กิกลัวจะกลัวตายจะกระทั่งไม่มีสติสตังที่จะนึกจะดูลมหายใจถ้าอยากจะมีสติดูลมหายใจต้องฝึกก่อนตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มาฝึกตอนที่ใกล้ตาย เพราะตอนนั้นมันก็เหมือนเด็กเรียนหนังสือที่ไม่ไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือจะมาดูตอนคืนก่อนที่จะสอบอนถ้าอย่างนั้นดูไปจนทั้งคืนก็ไม่มีวันที่จะดูทันดนั้นถ้าถ้าอยากจะให้ใจตายอย่างสงบก็ต้องฝึกสติตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายยังมียังมีชีวิตอยู่เป็นปกติพยายามฝึกให้มันเป็นนิ ส, สัยขึ้นมา เพราะถ้ามันเป็นนิสัยแล้วเวลาเวลาตายมันก็จะทําหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติคําถามต่อไปจากคุณสุกเล็กๆที่ปลายเขา <c oughs> การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จำเป็นต้องบรรลุตามลําดับขั้นตอนหรือว่าสามารถบรรลุข้ามขั้นได้ครับมันมีปัญหาแต่ละขั้นที่ต้องแก้ ถ้าแก้ปัญหาขั้นไหนได้ก็บรรลุขั้นนั้นได้แต่ปัญหาแต่ละขั้นมันก็มีความยากง่ายต่างกันไปดังนั้นโดยปกติแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นขั้นคือขั้นที่หนึ่งของสามสี่ไปจะข้ามขั้นนี้คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกับการเรียนหนังสือที่เราจะข้ามชั้นนอกจากเรามีอัจฉริยะมีความรู้ความสามารถที่จะ ข้ามไปได้แต่ในทางปฏิบัตินี้มันก็มันต้องผ่านไปทีละขั้นเพราะความยากง่ายของขั้นแต่ละขั้นนี้มันมันมีอยู่ในตัวของมันะนั้นคิดว่าคงจะข้ามไม่ได้ข้อที่สองเคยได้ยินหลวงตาเทศว่าหากจิตมีความสงบเย็นใจแล้วให้ออก พ, พิจารณาทางปัญญา โดยให้ยกกายมาพิจารณาหากพิจารณาจนตัดราคาผ่านกายได้แล้วจะถึงความเป็นพระอนาคามีถามว่าการละสังโยชน์สามของพระโสดาบันสามารถละได้ด้วยการพิจารณากายตามทางนี้ได้เลยใช่หรือเปล่าครับหรือว่าต้องพิจารณาอย่างอื่นเป็นธรรมควบคู่กันด้วยครับ คือบางทีหลวงตาท่านแสดงธรรมนี้ท่านก็ไม่ได้เจาะจงเป็นขั้นเป็นตอนท่านแสดงไปตามวาละหรือว่าไปตามบุคคลที่ฟังซึ่งบางครั้งท่านแสดงให้พระนี้ท่านจะสอนเรื่องให้ปัจจารณาสุภาษเป็นหลักเพราะหนึ่งจะได้ปกป้องไม่ให้พระไปกระทําผิดศีลเพื่อที่จะได้รักษาพรหมจารย์ของพระได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องบรรลุปเป็นพระอนาคามีเลย แต่พระนี้จะต้องรักษาศีลให้ได้นั้นก็จะต้องรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาการป้องกันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำลายมันได้หมดอย่างน้อยมันก็ทำให้มันอ่อนกําลังลงจนกระทั่งไม่มาสร้างความไม่มาบีบดขันให้จิตใจไปกระทำการผิดศีลของพระได้ดังนั้นเวลาที่ท่านแสดงเรื่องรา าการมราคะนี้ท่านแสดงให้กับพระเพื่อที่จะคอยปกป้องศีลของพระให้บริสุทธิ์แต่ก็มีมีเป้าหมายอยู่ที่การบรรลุเป็นพระอนาคามีด้วยแต่การที่จะกําจัดการมราคะได้หมดไปนี้จะต้องกําจัดสังโยชน์เบื้องต้นสามข้อให้ได้ก่อนก็คือการละส ก, กายทิฏฐิที่มัน ง่ายกว่าการละการมราคะนั่นเองต้องพิจารณาขันห้าโดยเฉพาะร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายก็เช่นเดียวกันมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ตายไปตามธรรมชาติของมันห้าไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาผู้ที่เห็นทุกข์ในความอยากเหล่านี้ก็จะละความอยากเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนาะแต่อยู่ที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากจะพบกับทุกขเวทนาะเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กับมันไปจนความจะจากกันไปโดย ธรรมชาติเมื่อมันหมดวาระของมันก็จะหมดไปเองในขณะที่ยังต้องเจอกันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีจะอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ก็คือต้องไม่อยากให้มันหายไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็อยู่กับมันไปสักแต่ว่ารู้ไปแล้วจะอยู่กับมันได้อย่างไม่เดือดร้อนความแก่ความตายก็เช่นเดียวกันมันปรากฏขึ้นมาก็รับรู้ไป อย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่ตายเพราะมันจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุนี่คือการละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าละได้ก็จะเห็นอริยสัจสีเห็นว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการที่จะละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันก็เรียกว่าเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้เห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์พระสุวรรบันนี้ก็จะก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็จะไม่ไปแก้ปัญหาต่างๆด้วยวิธีไปสะเดาะเคาะไปธรรมะ อะไรที่นอกเหนือคำสอนของพพระพุทธเจ้าคือให้ดับทุกข์ด้วยการเจริญปัญญาด้วยสติปัญญาด้วยทานศีลภาวนาเท่านั้นคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนเล่าเรื่องกลุ่มญาติธรรมของเขาให้ฟังมีผู้ชายในกลุ่มจะแสดงธรรมหรือพูดธรรมได้ดีเหมือนในกลุ่มหลงสเสน่ห์ใครที่ได้คุยจนคุ้นเคยเขาจะชวนไปเที่ยวสถานที่ต่าง เหมือนมีอะไรดนใจจะให้เงินจะออกค่าใช้จ่ายให้เขาจะทําตัวเหมือนพระผู้หญิงเกือบทุกคนจะแอบเอาเงินให้ดิฉันเห็นแล้วเหมือนเขาหลอกเอาเงินแต่ไม่มีใครพูดใช่มิจฉาชีพในคราบทามหรือเปล่าคะได้ยินมาว่าพระที่เขาเคารพจะมีอิทธิฤทธิ์เขามักจะไปไหว้เจดีย์ต่างๆที่สำคัญและจะถวายร่วมสร้างเจดีย์ด้วยเงินจานวนมาก เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งจะได้คืนมากสงสารเพื่อนค่ะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพื่อนหมดเงินไปมากแล้วค่ะถ้าเขาไม่เดือดร้อนลรไปเดือดร้อนแทนเขาทําไมคาถามต่อไปจากคุณชุดนัทการนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทโทน้นเกิดความคิดหรืออารมณ์ต่างๆขึ้นมาจะใช้วิธีตามรู้ พอความคิดหรืออารมณ์ต่างๆดับไปแล้วกลับมาพูดโตพูดโทต่อได้ไหมคะถ้ามันมันดับได้ก็ทำได้เป้าหมายก็คือให้มันดับความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยวิธีไหนก็ได้ด้วยวิธีสติเพียงแต่รู้ทันว่าเรากำลังคิดมันก็หยุดได้หรือว่าใช้ปัญญามาหยุดมันก็ได้ถ้ามันคิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาล้วก็ดึงมันกลับมาคิดทางอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตา แล้วมันก็จะแก้กันไปได้แล้วแต่วิธีของแต่ละคนถ้าทำแล้วให้หยุดความคิดได้ก็ใช้ได้เหมือนกันคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามที่มีผู้ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการทําความสะอาดอยากย่าไพระอาจารย์ได้สอนตอนหนึ่งว่าอย่างอื่นโลกรุงรังกว่านี้ก็มีไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอยากย่าไพอเห็นแมงมุมทําให้นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ แล้วฉุก ค, คิดว่าใจของเรานี่แหละสกปรกรกรุงรังโยงใยยืดมั่นยิ่งกว่ายายแมงมุมแล้วรู้สึกท้อทแท้ใจมากจะทำความสะอาดใจของเราอย่างไรดีคะให้มันสะอาดไม่ยืดมั่นรกรุงรังก็ต้องใช้วิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้ชำระนั่นก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนา ขึ้นอยู่กับความสกปรกของใจของเราอยู่กับเรื่องอะไรถ้าอยู่กับเรื่องข้าวของเงินทองก็ชำระด้วยทานถ้าอยู่ด้วยการกระทำที่ไม่ชอบก็ชำระด้วยศีลถ้าอยู่ที่ความวุ่นวายใจก็ต้องชำระด้วยการภาวนาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมพยายามฝึกมีสติในการทำกิจวัตรประจําวันรู้สึกมันต้องตั้งเจตนา บังคับจิตไม่ได้รู้สึกอารมณ์ตามธรรมชาติจนบางทีเหมือนเราภาคหนังอยู่ในใจว่าเรากําลังทำอะไรอยู่เวลานั่งสมาธิก็เหมือนเราต้องบังคับลมหายใจเข้าออกให้ยาวๆแทนที่จะตามรู้ลมหายใจเลยสงสัยว่าทำผิดวิธีหรือเปล่าคะคือการกระทาการปฏิบัติใหม่นี้มันต้องฝืนมันต้องบังคับเหมือนกับการที่เราหัดใช้มือที่เราไม่ถนัด สมมติว่าเราถนัดมือขวาแล้วพอดีมือขวาเราเสียใช้ไม่ได้เราก็ต้องใช้มือซ้ายเวลาใช้มือซ้ายใหม่ๆ ม, มันก็จะเก้อเกขินเขินจะไม่คล่องแคล่วว่องไวเพราะมันไม่เคยชินเราก็ต้องพยายามบังคับหัดใช้มันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาเหมือนกับการหัดขับรถก็ดีหัดพิมพ์ดีดก็ดีใหม่ๆมันก็เก้อเกขนเขิ น, ขน ขัดขัดยังไงไม่ทราบเพราะมันไม่เคยแต่พอฝึกฝืนทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดมันจะเคยชินขึ้นมาแล้วมันก็จะไหลคล่องเข้าว่องไวเหมือนกับเหมือนกับที่เราเหมือนกับเราทำทำกับสิ่งอย่างอื่นตอนนี้ความคิดของเราใจของเราชอบลอยไปลอยมา พอเราบังคับมาให้มันไม่ลอยไปลอยมาเราก็เลยรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันยะมันยากเพราะมันต้องฝืนต้องบังคับนั่นเองนะฉะนั้นการฝืนการบังคับแบบนี้ไม่ใช่เป็นการทําแบบไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นวิธีการที่จะทําให้ใจของเรานั้นกลับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝืนบังคับมันไปเรื่อยๆ เ, เพื่อให้ใจสงบะ ใจสงบแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับมันจะสงบของไปเองของมันตลอดเวลาข้อที่สองการที่เรารู้สึกว่าเราอายุมากแล้วสุขภาพเสื่อมลงแต่ยังไม่ถึงเวลากเกษียณจะลาออกเพราะเบื่องานเบื่อเดินทางจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่วิภาวะตันหา แต่เป็นฉันทะตามอิทิบาสีใช่ไหมคะใช่เป็นเหตุเป็นผลคำถามต่อไปจากคุณชัยพฤกการพิจารณาร่างกายให้เห็นอสุภให้เห็นเป็นอสุพะควรพิจารณาอย่างไรครับที่ปฏิบัติอยู่ใช้พุธลมเข้าโทลมออกอันนี้ไม่ใช่วิธีพิจารณาสุภาอันนั้นเป็นการเจริญพุทธานุสติ การเจริญสติเพื่อให้ใจสงบแต่การจเจริญสภาพนี้ต้องนึกถึงสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาผ้าวผมยังไม่ได้วีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดูตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่แก่ตอนที่ตายหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเข้าไปดูภายใต้ผิวหนัง ดูอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายเช่นโครงกระดูกเช่นหัวใจตบปอดลำไส้ต่างๆอันนี้ถ้ายังไม่เคยเห็นก็อาจจะต้องไปเปิดหนังสือของนักศึกษาแพทย์ดูก็ได้หรือถ้าอยากจะดูของจริงสดๆน้อนๆก็ไปดูที่โรงพยาบาลที่เขามีการชำระศพอยู่ขออนุญาตเขาเข้าไปดูได้ เพื่อจะได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วเอาภาพนั้นมาติดตาติดใจไว้ให้เราเลอกถึงภาพเหล่านั้นอยู่เรื่อยแล้วต่อไปเวลาเห็นภาพที่สวยงามที่จะมาสร้างให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะสามารถดึงภาพที่เราเห็นที่ไม่สวยไม่งามนี้มาแก้มาดับการอารมณ์ได้คำถามต่อไปจากคุณบุญมี กรณีมีคนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลญาติของคนป่วยมาขอบุญกับหลายๆคนให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของผู้ป่วยเป็นไปได้ไหมครับที่คนป่วยจะหายป่วยเพราะอุทิศบุญให้ครับถ้าหายก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเสียเวลาพร า, <laughs> าป่วยพะยังต้เข้าโรงพยาบาล <laughs> เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจคนละเรื่องกันจิตใจนี้อาศัยบุญกุศลได้อยู่แต่ร่างกายนี้ต้องอาศัยย า, าศัยหมอเอาแล้นะมีกครยากจะถามอีกไหมถ้าเดี๋ยวปิดไม้แล้วก็ไม่ถามไม่ตอบแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อให้เห็นคำว่าสิบปากว่าสู้หนึ่งตาเห็นไม่ได้ขอให้ได้มีแต่ความสุขและความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด